ในความเป็นจริงแล้วเมื่องสุรินทะร์นี่ยยุคที่หลวงปู่ดูลอยูนะ่หลวงพ่อกล้าพูดอย่างหนึ่งนะว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่แพ้ครูบาอาจารย์องค์ไหนเลยเรอยากจะบอกว่าเก่งพอองค์เดินด้วยซ้ําไปแต่ว่าเกรงใจเขาหลวงพ่อเองนะครูบาอาจารย์มากเดิมมาเรียนกรรมฐานนะตอนเด็กๆก็เรียนกับท่านพ่อลีมานอโศกรัม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 เราสนใจคนที่ทำให้เราโกรธก็คอยจับผิดเขาคอยเฝ้าดนะูเราไม่สนใจจิตใจของเราว่ามันกําลังโกรธอยู่เนี่ยหลวงพ่อมาหาหลวงปู่ ด, ดูลครั้งแรกวันที่6กกุมภาพันาร้อท่านอยู่กุฏิตรงนี้มาถึงตอนเช้าท่านฉันเช้าอยู่ก็นั่งรออยู่ข้างหน้าแล้วท่านออกมาแล้วก็เข้าไปกราบท่าน หลวงปู่ผมอยากภาวนาอยากผมผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็หลับตาเงียบๆนะเกือบชั่วโมงหลวงปูดูนไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นๆครูบาอาจารย์อื่นๆเนี่ยถ้าเราไปามกรรมฐานในส่วนใหญ่นะถ้าท่านเคยทํามาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นในหลวงปูดุลท่านจะดูว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรท่านจะดูเป็นคนๆเลย งั้ครูบาอจารยอย่างนี้ไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยนะเคยมีองค์เดียวที่เห็นเองก็หลวงปู่ดูลท่านหลับตาไปนานท่านเริ่มตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนั่นสอนเข้าที่จิตเลยแล้วท่านบอกด้วยการปฏิบัติไม่ยากนะมันยากที่ไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละถ้าลงมือปฏิบัติไม่ยากอะไร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 ท่านที่บางคนนั้นไม่เคยรู้จักหลวงปู่หรอกแล้วก็อ่านอ่านแล้วเขาศรัทธาเขาตีความเอาเองถ้วมันคลาดเคลื่อนจากที่ท่านสอนควรจํานวนมากนะที่เขาว่าดูจิตดูจิตเขาไม่ได้ดูจิตหรอกเข้าไปเพ่งจิตอยู่ดูจิตใหมายถึงว่าจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ส่วนเพ่งจิตเนี่ยห้ามชั่วห้ามฟุ้งซ่านต้องดีต้องดีต้องสุขต้องสงบเนี่ยเข้าไปบังคับจิต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 งั้นถ้าเราคิดว่าภาวนาเนี่ยนะต้องดีต้องสุขต้องสงบเนี่ยอั น, นี้ภาวนาไม่เป็นหรอกมันคือสมถะกรรมฐ า, านสมถะกรรมฐานนะจิตไม่ดีฝึกให้ดีจิตไม่สุขฝึกให้สุขจิตไม่สงบฝึกให้สงบให้มันแนว่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขได้อะไรก็ได้ความสุขได้ความสงบตายไปก็ไปเกิดอีกไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขมีความสงบแต่ถ้าเราอยากจะพ้นจากวัตฏะพ้นจากความทุกข์จริงๆเนี่ย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 ไปทํำไมไม่บอกเลยนะว่าให้ทํำยังไงครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะถ้าจะพูดไปแล้วเป็นพ่อแม่ที่โหดมากเลยให้เราศึกษาให้เราดิ้นรนต่อสู้เอาแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งมันทําให้เราเข้มแข็งอย่างพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยจะโอลูกนะจนกระทั่งลูกมีหลานแล้วนะพ่อแม่ยังต้องเลี้ยงอยู่เลยเลี้ยงลูกแล้วต้องเลี้ยงหลานต่อนะมันอ่อนแอหลวงปูดูลไม่เป็นครูบาอาจารย์อย่างนั้นน่ะหลวงปูดูลนะโอ้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 รู้แล้วเราก็เห็นนะทุกอย่างเกิดเราดับพอนาอยู่สี่เดือนนะสี่เดือนแล้วก็ใจมันเปลี่ยนแปลงไปก็มั่นใจแล้วละ่ะก็มากราบท่านอีกตอนนี้ไม่ใช่ว่าสี่เดือนปุ๊บมานะมีจังหวะคล้ายๆว่ารอจังหวะช่วงไหนลางงานได้มามาวันนั้นกำลังมีงานช้างอยู่งานช้างเมืองสุรินทร์เขมีเดือนไหนจําไม่ได้ละใครรู้บ้างอือ พิศษจิกาเออประมาณนั้นแหละเดินเข้ามาหาท่านนะเขายังไม่เก็บสตังค์ค่าผ่านทางเพราะมาแต่กลางวันมาอยู่กับท่านส่งการบ้านมาอะไรเงี้ยท่านบอกภาวนาเป็นแล้วล่ะช่วยตัวเองได้นะโอใจมันมีความอิ่มนะมนอิ่มของมันงานช้างเสียงดังๆเนี่ยไม่เข้ามาถึงใจเราแค่เราสงบใจเรามีความสุขใจมันไปเห็นอะไร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 สติเป็นของสําคัญที่สุดเลยสําคัญมากอย่าว่าสําคัญที่สุดมันก็เกินไปนะของสําคัญมีเยอะแยะ ah, สติก็สําคัญสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสําคัญทั้งนั้นแหละแต่สําคัญคนละแบบหลวงพ่อนักจากเรียนจากหลวงปู่ดุลแล้วยังเรียนจา ก, นะารากครูบาอาจารย์อื่นๆอีก 30- 40ิบสีงนะตอนนั้นพอหลวงปู่ให้ความมั่นใจเราว่าไม่พลาดแล้วนะก็ไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นด้วยอย่างค้าหลวงปู่เทพก็เข้าไป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 จตหายกยารธก็รู้ดูอย่างเนี้ยแต่ไปจิตกรธปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนารู้นะั่นเรียกสติตัวจริงมันเกิดหรือคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจอไอ้น่อก็อยากเจอไอ้นี่ก็อยากนะเห็นอันนี้ก็อยากได้ยินเรื่องนี้ก็อยากคิดเรื่องนี้ก็อยากค่อยรู้ทันนะใจมีความอยากขึ้มารู้ทันใจมีความอยากขึ้มารู้ทันความอยากให้ไปรู้ทันรู้มันแค่นี้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะคนคนหนึ่งนะเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนอะไรมากหรอก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 ฟุ้งมากก็หมดเรื่องหมดแรงซึมไปเลยนะเป็นทีนมิธานะสะสนใจญ่อ้นิวรณนะ์ห้าตัวนะหตัวนะี่เพอหลวงพ่อสังเกตนะเป็นเรื่องความฟุ้งของจิตทั้งนั้นเลยนะเรื่องฟุ้งไปคนละแบบถ้าเมื่อไร่จิตฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทัน น, ะนิวรณ์ดับเมื่อไหร่นิวรณ์ดับสมาธิเกิดเพราะว่านิวรณนะ์เป็นศัตรูของสมาธิถ้าไม่มีนิวรณ์สมาธิมีอยู่แล้วจิตทุกดวงนะในความจริงจิตทุกทุกดวงมีสมาธิอยู่แล้ว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 งั้นคสอนของหลวงดนะปราณีลึกซึ้งมากเลยนะถ้าทําได้อันเดียวนี่นะได้ธรรมะครอบคลุมทั้งหมดเลยท่านเคยสอนหลวงพ่อนะว่าธรรมะ 84% ดหมพันพระธรรมขันธนะ์ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธ์ทั้งนั้นเองออกมาจากจิตทั้งนั้นเลยธรรมะที่เป็นกุศลก็เกิดที่จิตธรรมะอากุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้าเรารู้จิตตัวเดียวนะรู้เท่าทันฉลาดในจิตเนะี่ยเราจะได้ครบเลยจิตเป็นอกุศลเราก็รู้ นะอกุศลเกิดขึ้นเราก็รู้อกุศลดับไปเราก็รู้อกุศลจะเกิดอกุศลจะดับเราสั่งไม่ได้นี่ก็เป็นปัญญานะอัตรู้ไปสุขทุกจะเกิดก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงสั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้นี่เป็นอนัตตาเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไตรักษณ์ที่โดดเด่นคืออนิจจังอนัตตานะถ้าดูกายเนี่ยเห็นทุกขังอนัตตาได้ง่าย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 สุดท้ายปัญญามันก็เกิดกายน it, it ี้เป네็นต <mat> ัวทุกข์เร่องนี้เราเห็นตัวทุกข์ง่ายนะมันถูกบีบคั้นกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเร่องนี้เจริญปัญญาดูกายกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วก็เป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกก็เพราะหนีทุกข์ ความทุกข์มันตามบีบคัน้นนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนานๆก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานๆก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่มั น, น, า น, า น, านต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันทุกข์นั้นถ้าเรามีสติแล้วเราคอยเรียนรู้อยู่ที่กายจะเห็นทุกข์ขังอนัตตาง่ายถ้าดูจิต ด, ดูใจจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายงั้นใครเคยทําวัดเช้าใครสวดทำวัดบ้างมีไหมจำบทนี้ได้ไหมรูปฟังอนิจจัง เวทนานิจจาแล้วอะไรญญะว่าไปสิสัญญาอนิจจาสิไม่ใช่สัญญาอะไรก็ <c oughs> นะจนถึงเอวิญญาณังอนิจจังแล้วขึ้นรูปังอนัตตาเลยเห็น <c oughs> ไหมมีรูรูปังอนิจจังใช่ไหมจนถึงวิญญาณังอนิจจังเสร็จแล้วมันจะต่อรูปังอนัตตาเลย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 ถนัดดู ก, กายนะพวกท่านเจ้าท่านจะสอนอายตนะ6จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมเห็นไหมใจอันเดียวเป็นนามนธรรมงั้นเวลาสอนเรื่องขันห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะสอนพวกที่ถนัดดูจิตนะงั้นการดูจิตเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าดูอนิจจังอนัตตา2ตัวเนี้จะเด่นดูจิตให้เป็นทุกขังนี่ยากมากเลยนะ ยกเป็นอย่างหนึ่งนะถ้าเราทรงฌานจริงๆเราทรงฌานเนี่ยคนที่ทรงฌานเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกนะว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันจะเห็นว่าจิตเป็นตัวบรลมัสุขจิตตัวรู้เนี่ยเป็นตัวบัลมัสุขแต่ว่าพึ่งภาวนาจนแก่รอบแล้วปัญญามันปิ้งขึ้นมานะมันเกิดรู้ขึ้นมาว่าจิตเป็นตัวทุกข์พอรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปมันจะวางจิตไปปล่อยวางจิตเพราะนพวกที่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 แต่ที่หลวงปู่สอนเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตหลวงปู่ดูลสอนทุกรูปแบบบางท่านหลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายนะนอย่าไปเข้าใจผิดว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างเดียวอันนั้นเข้าใจผิดแล้วหลวงปู่ดูลสอนตามจริยนิสัยของลูกศิษย์ลูกศิษย์ดูกายั่านก็ดูกายให้ดูกายไปก่อนนะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อวันหนึ่งเห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรมนะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะนี่ก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดุล ท่านอาจารย์พัฒนาเนี่ยหลวงพ่อรู้จักท่านหลายสิปีแล้วแต่ท่านยังอ้ออนะตอนนี้ท่านก็อายุเยอะหลวงพ่อก็เยอะอย่างนี้จะเป็นพยานได้หลวงปู่ดุลไม่ได้สอนดูจิตยอย่างเดียวจะได้ยินว่าสอนองค์นี้อย่างนี้สอนองค์นี้อย่างนี้และครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วที่จะรู้ว่าเราควรจะเรียนอะไรเราต้องสังเกตตัวเราเองงั้เอาหลักที่หลวงพ่อสอนนะไปฝึกก่อน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 สติมันเกิดแล้วก็ดูไปร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูก็เห็นใน ร, ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจะดูอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้าดูจิตดูใจก็เห็นว่าของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงดูไปสุขทุกข์ดีชั่วก็สั่งไม่ได้ น, นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาดูเห็นให้เห็นไตรลักษเนี่ยอันไหนก็ได้ เันอยู่ที่ฝึกนะถ้าฝึกมากพอแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดอย่างคนขี้โมโหนะมันก็เห็นนะจิตกโกรธแล้วหายโกรธแล้วหายเห็นอยู่แค่เนี้คนที่ขี้โลภก็เห็นจิตโลภแล้วหายคนที่ดูจิตชํานาญหน่อยนะจิตขยับไว้ตัวก็เห็นไว้ตัวก็เห็นก็เห็นเกิดดับนะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาที่แท้จริงเกิดเนี่ยมันจะไม่ได้รู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับ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 ท่านบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพิ่อมบั่นไห้นะไม่ไม่ไมีอะ ไ, ไรปรุงแต่งได้นะมีสติอัตโนมัติอยู่หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนึกว่าถ้าจะบอกจิตอยู่ที่กลางหน้า อ, อกเห็นหมันกระยุกกรยิกอยู่กลางหน้า อ, อกหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งหลวงปู่ดนนะเวลาสอนหน้าโหดมากเลยเราถามกอกไก่นะตอบหอนกูกเลย แล้วให้เราไปค้นตั้งนานหลายๆปีนะต้องอดทนมากนะต้องศึกษามากต้องเอาจริงถึงจะเอาตัวรอดได้ไม่เอาจริงเอาตัวไม่รอดหรอกนะหลวงพ่อมาดูพวกเรายุคนี้อินซีออนไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนะอินซีแข็งกว่าพวกเรานะอย่างเมื่อก่อนที่สุรินเนี่ยมีแม่ค้าขายผักก็มีนะภาวนาเก่งๆมีแม่ค้าขายผักชื่อใหญ่สะเกียวยังนั่งขายผักอยู่ในตลาดเนี่ยนะ ขายผักน้ำผักเหี่ยวยังคนนี้หน้าใสือผักหน้าเหี่ยวไปหมดแล้วขายไม่มีคนซื้อยังคนนี้ก็ยังหน้าใสนว่าภาวนาดีจริงๆบางคนขี่สามลอ้อภาวนาเก่งนะเราดูถูกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามศึกษานะปฏิบัติหลวงพ่อนะกลัวพวกเราสู้ไม่ไหวบอกราละเอียดยิบเลยบอกละเอียดยิบบางคนมันก็ภาวนาต่อ รู้สึกมีกำลังใจบางคนนะรู้หมดแล้วหลวงพ่อบอกหมดแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้กิ่นออกนะต้องไปดูของจริงด้วยตัวของตัวเองนะไม่งั้นล้วก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปถ้าอยากได้ของดีอยากได้ของมิเศษก็ต้องขยนันขยันดูเอาเองนะอย่าไปแทรกแซงรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าไปแทรกแซงจนกระทั่งเห็นความจริงของมันถ้าเห็นความจริงได้ใจก็เข้าถึงความบริสุทธิทธ์หลุดพ้นได้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 ดูจิตก็ผิดง่ายนะมีที่ผิดเยอะแยะเลยไม่ใช่พูดกันชุ่ยๆหรอกเป็นงานที่ประนีตมากอะไรจะประนีตเท่าจิตอะแต่ว่าถ้าตัดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะมันก็เร็วถ้าเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็ไต่เต้ามาเป็นลําดับลําดับไปทำอะไรไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนนะพอ ม, มีแรงถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายเนะพราะอะไรกายเป็นบ้านของจิตดูกายไปชักวช่วงหนึ่งก็จะเห็นจิตหลวงปู่เคยสอนนะ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 คนในเมืองนอกเมืองนนาเขาก็ฟังเขา่าภาวนาเป็นเยอะเลยเดี๋ยวนี้คนต่างประเทศเข้ามาเรียนนะเริ่มพานาเป็นนะหลวงพ่อพยายามหนุนห น, นให้พักพวกที่เขารู้ภาษาต่างประเทศช่วยแปลแปๆ แ, แล้วเขาก็ไปอ่านกันนะไปฟังกันนะเขานาเป็นพวกเราคนไทยพูดเราไม่ต้องมีใครแปะนะพูดภาษาคนแท้ๆเลยนะ ไ ม, ไม่ได้ต้องแปลนะ ไ, ไปพอนานานนะใครชี้เกียรติก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะไปซัวเอาไปท่านี้พอละดึกเหนือพวกที่มาไกลๆอย่าลำบากวอาใครจะส่งกันบ้านว่ามากล่าวนะมัสการหลวงพ่อคะอ่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเมตตาให้หนูหนูมีอาการที่บีบคันตรงกลาง อ, อกอะคะ่ะแล้ว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 เวลาที่เราเห็นวัตตะหมุนขึ้นกลางอกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทําสมาธิได้เนี่ยจะทุกข์แทบตายเลยทุกข์เหมือนโลกจะระเบิดเลยนะเออเพราะอะไรเพราะ ไ, าไม่มันมีที่พักรู้สึกไหมถ้าตรงนี้ทุกจิตทุกเสี้ที่เดียวโลกกับทานนี้มันจะไม่มีที่ให้สุ่กแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยที่หลวงตามหาบัวเคยบอกว่าถ้าพระองค์ไหนพาวนาจะเห็นวัตตะมันหมุนขึ้นมาท่านไล่ออกป่าไปเลยให้ภาวนาเอาเป็นเอาตายไปเลยนะ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 ัสกครบพอครับบังคับจิตอยู่หรือเปล่าก็มีช่วงนี้มันจะแข็งแข็งครับเนอะมันแข็งไปก็จะมีแทรกแทงมีประคองเออแล้วก็ไม่ปิดต่างเออครับรู้สิใจมันโลภมันแทรกแทรงอยากดีครับนั่นแหละมันยากมันก็จะมีอยู่ครับเออให้รู้ทันว่าอยากไม่มีอะไรมากรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นจิตโลภเพ้่มารวโลครับถ้าไม่รู้ว่าโลบนะตัวโลภไปียกตัวตัณหานะครับ สรรหาเป็นตัวสร้างภพคือทำให้จิตเนี่ยสร้างภพขึ้นมาแล้วก็จิตกไต็ไปติดอยู่ในภพนั้นครับพอไปจิตมีความโลมอยากดีมันไปสร้างภพที่นิ่งนิ่งขึ้นมาจิตไปติดอยู่ในภพที่แข็งแข็งนั้นนะแล้วก็เป็นภพภพหนึ่งให้รู้ทันมาจิตโลภพ อ, อความโลมดับนะภพมันก็ดับไปด้วยมันอยู่ในชั่วคราวมันก็ดับเราก็หลุดออกมาแล้วก็ดูมันทํางานไปอีกครับนะ พออยากดีทีไรก็เข้าไปตีดีก็รู้อีกครับจิตอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในตอนเนี้ยมันก็มีข้างในอ่ะครับตอนเนี้นะตอนนี้มันตีหนีไปคิดครเออเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะจิตนี้ไปคิดก็เรียกจิตด อ, อกนอกครงเพราะอะไรมันไปอยู่ในเรื่องที่คิดมันเป็นอายตนะภายนอกใช่ไหมให้เรารู้จิตนี้ไปแล้ว อย่างตอนเนี้ยมารอฟังและวรู้สึกไหมเออรตรงที่รู้ว่ารอฟังนั่นแหละจิตรู้ก็เกิดขึ้นเห็นไหเห็นไหมว่าจิตรู้เป็นอย่างนี้เลยครับน้ําสว่างพลุงขึ้นมาเลยนะใช่ครับไปทําต่อไปภาวนาใช้ได้มาสการครับการมมาสการหลวงพ่อคะ่ะก็ว่าไงก็ดีขึ้นคะ่ะแต่ว่าก็ตื่นเต้น ก็ตั้งใจที่จะทําต่อไปค่ะหลวงพ่อไม่ว่าตื่นเต้นนะเลยบรรยายไม่ถูกเลยใช่ฝึกอย่างนี้นะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกบ่อยๆแค่รู้สึกไม่ต้องไปดูเดอะไรมันมากหรอกแค่รู้สึกหนุบประคองเออดูออกไหมล่ะ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 เหมือนจิ้งก่าไปอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งยิ้มหวานยิ้มแล้วใจมันยังเฉอยอยู่ต้องให้ใจมันคลายออกค่ะ แ, <ล>แล้วก็มันมีความตั้งใจมากค่ะมันก็เลยแต่ว่ามันรลดไปนิดนึงคือถ้าเราขยันภาวนาดีนะเป็นเรื่องดี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 กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่เป็นครั้งที่สองเจ้าค่ะครั้งแรกหลวงพ่อบอกลูกว่าลูกใจลอยเก่งเออพงษ์ส่านนะจา้าพงษ์ส่านใจลอยเก่งออทุกวันลูกจะทําตามลูกแบบนั่งภาวนาก็รู้ว่าใจลอยไปอนาคตนะบ้างอดีตบ้างส่วนมากก็ที่จับได้ก็คือใจลอยมาส่งการบ้านหลวงพ่ออยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะให้รู้ทันอันนี้ออลูกตามลูกถูกไหมเจ้าค่ะถูกรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไป ใชมันสว่างนะใชมันสบายดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเจ้าค่ะว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้อีกเวลากิเลสเรารู้ได้ไวไหมเจ้าค่ะเนอะกิเลสมาเรารู้ได้เร็วขึ้นก็ใช้ได้เวลาทุกข์มันก็ทุกข์สั้นลงเจ้าค่ะนั่นแหละดีดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ขแต่ระวังหน้ามันจะฟุ้งสั้นเรามันฟุ้งเก่งเจ้าค่ะนะขอบพระคุณเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งอยให้นะไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้สำคัญนะนักปฏิบัติเนี่ยคิดว่าจะต้องดีเพราะงั้นมัจะบังคับตัวเองมากถ้าเรายอมรับได้มาไม่ดีก็ได้นะเอาแค่ไม่ให้ผิดศีลห้าในใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายก็ใช้ไดนะ้ถ้าวางใจอย่างนี้นะแล้วนะพอน้มจะสบายขึ้น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 รู้สึกจิตเนี่ยทรงอยู่ได้อย่างนี้ทั้งวันเลยมันมันนิ่งๆอง <laughs> เออ <laughs> นั่นแหละนั่นแหละที่ผิดอยู่นะเพราะอะไรเราอยากดีเรารักดีเราก็เลยรักษาจิตไว้ตลอดเวลามันเหมือนที่หลวงพ่อทําแต่ก่อนอะที่หลวงปู่ดูนบอกว่าไปทํำไม่ <laughs> นี่แทรกแซงจิตละจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราทำจนจนกระทั่จิตเป็นผู้รู้อย่างเดียวเลยและเห็นไหมว่าทุกอย่างสแสดงใจรักเห็นไหมไอตัวนี้ไม่ยอบสแสดงใจรักมันจะเที่ยงนะ จัดการมันชะไม่ดีก็ได้เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสัปดาห์ก่อนประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างล้ ม, มครับก็เห็นว่ามันรักตัวเองมากเลยนั่นแหละสติเราทันแล้ว <c oughs> เวลาล้มรู้สึกไมมร่างกายล้มลงเป็นช็อตชอตชอมันสโล <c oughs> เออจะสโลนะเพราะงั้นไม่ค่อยมีอันตรายรรเพราะว่าสติเราเร็วมากเลยหัวจะฟาดแล้วเราก็หลบซะหน่อ ย, อยนี่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 รู้ตัดลอดเลยใจก็จะเด่นดวงขึ้นมานะมันไม่มีตกอตกใจเลยนะเป็นป่าวเป็นครับเออ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นคนดูเหมือนเห็นคนอื่นล้มเลยละ่ะ <c oughs> แต่มันยังแบบรู้สึกว่ารักกายอยู่ครับเออดีที่รู้ยังไงมันก็ต้องรักแหละไม่ใช่ผ้านาคาอย่างอย่างสุดท้ายครับรู้สึกว่าการกระทําอะไรก็ตามฮะมันเหมือนกับมีมานะอัตาตาถูกถูกสังเกตดูเธอทุกการกระทํานะจะซ่อนซ่อนตัวเราไว้ แล้วทาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยดูดีมันเหมือนเซิเออมันจะเซิฟอัตตาฉลาดที่เห็นแล้วต่อไปจะเป็นคนน่ารักมากนะเพราะคนอัตตาแรงเนี่ยน่าเกลียดถ้าเราเห็นอยน่างนี้ต่อไปแล้วมันจะอัตตาไม่แรงนะมันจะน่ารัก <c oughs> ดีขอโอกาสครับผมก็ได้ไปอ่านเรื่องเจริญเมตตาครับของหลวงพ่อสภาะที่หลวงพ่อเขียนไว้ในหนังสือเนี่ย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 รู้นะหมาน่าหาสงสารตัวเนี้ยยังขี้โมโหอยู่รู้สึกไหมอ่ารู้สึกอันนั่นแหละรูปหัวมันเลยเขาบอว่าไอ้ตัวนี้ยังขี้โมโหอยู่มันหน่าสงศารสงสารตัวเองก่อนแล้วต่อไปค่อยสงสารคนที่เราไม่ได้เกลียดนะคนที่กลางกลางนะคนที่เรารักแล้วก็คนที่กลางกลางนะขั้นสุดยอดนะแผ่เมตตาไม่มีประมาณนะั้นอยู่ๆท่องสเปสตานะใจยังไม่มีเมตตาหรอก ให้ใจมันมีเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนเพราะว่าเรารักตัวเองที่สุดเมดตตาง่ายแล้วผมสามารถใช้าสาัเพสาตาทำแบบสมาธิพักขวัญได้ไหมครับได้ลอง ท, อทำสิฟุ้งซ่านไปคบมนันยังไม่ลงเออตื่นเต้นออตืต่นเต้นรู้เอาใช้ได้อย่างนี้แหละ ถ้าอย่างนี้ท ำ, ำสมาธิพักผ่อนไปเลยนะครับเออนั่นแหละสมาธิพักผ่อนละอ๋อ oh, ครับสบายหลวงพ่อก็ทําเป็นห uh, ลวงพ่อขับขออีกเรื่องครับคือว่าเรื่องสู้กรรมากรรมวิตกไม่ไหวครับเอย่าไปคิดมันเล <laughs> กา ร, รมราคะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะกรรมราคะเกิดขึ้นได้แล้วกรรมวิตกถ้าเราไม่ไปตรึกมัน่ะกา ร, รม ร, ราคะก็ไม่แรงถ้าเราตรึกต้องแทรกแซงมันออกก่อนไหมครับ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 รู้สึกไหมเมื่อกี้เป็นจิตหลงไม่ใช่จิตรู้อย่างเดียวเนี่ยชักจะเข้าท่าแล้วเริ่มหลงล้วข อ, อการบ้านเพิ่มเติมครับขี้มโมโหน ะ, จะเจริญเมตตาไปบ้างก็ดีเหมือนกันครับผมภาว น, ะนาดีขึ้นมากนะพานาดีขึ้นเยอะขันแยกละขันแยกแล้ ว, ลวดูขันทำงานไม่ใช่เราคน น, นนี้ไม่ใช่ของยแหละมันจะรู้สึกมันไม่ไม่ใช่เรา ไปรู้สึกไม่ต้องถ้าถ้ามันรู้สึกได้เนี่ยไม่ต้องคิดนําแต่ถ้ามันรู้ตัวเฉยเฉยเฉนี่อันนี้ต้องคิดพิจารณากระตุ้นให้มันดูไตรักครับผมงานนรรมา ก, การครับหลวงพออ่อวันนี้มาส่งผนบ้านรอบปีครับยังมีช่วงเวลาแต่ละวันที่ความอาหมายมันเบียดเบียนการปฏิบัติอยู่ฮะหลวงพ่อืครับธรรมดานะเป็นขลภ า, าครับได้บ้างเสียบ้างดีกว่าไม่ได้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 แต่ไม่มีโอกาสได้ส่งการบ้านออืวันนี้จะขอหลวงพ่อเมตตาพูดถึงการปฏิบัติของผมที่เหมาะกับจิตของผมครับก็ปฏิบัติอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมว่ากายกับใจมันแยกกันครับเห็นไหมความรู้สึกกับใจก็แยกกันเราจะเอาอะไรอ่ะเห็นอะไรก็ด่วนนั้นแหละครับผมแต่ทําสม่ําเสมอนะครับระวังอันหนึ่งก็คืออย่าให้ปัญญาล้าหน้า รู้โง่ๆรู้ซื่อๆไปไม่คิดนําครับถ้าปัญญาล้าไปเดี๋ยวจิตไม่จะหลุดออกจากกรรมฐานจะหลุดออกไปคอยรู้สึกเปสบายๆดูกายทำงานดูใจทำงานตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แน่นไปอืดอัดไหมอืดอัดอยู่ครับอย่างนี้เรารวบไ้เราบังคับบังคับรู้ว่าบังคับก็ใช้ได้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 กรรับราชการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกอกป่าเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกตื่นเต้นมากใช้ได้นะอก็มีสดวนมน์ตามที่หลวงพ่อบอกก็คือสิบห้นาทีตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนตอนก่อนนอนอนะครับและตอนเช้านั่งแต่ว่าไม่เช้าเนี่ยเมือ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันไม่สงบอเราก็ไปดูความไม่สงบอื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 จิตรู้เนี่ยจิตรู้เนี่ยเกิดในช็อตต่อจากตรงที่รู้ว่าจิตไหลครับตรงที่ว่าเอะตรงนี้เรามั่งจิตรู้เนี่ยจิตคิดออมันยาวไปและวตรงที่รู้ทันว่าไหลอ่ะขณะนั้นรู้แต่แต่ช็อตต่อมาคือคิดใช่ไหมครับมันเร็วนะจิตรู้สั้นนิดเดียวอย่างนี้เรียกว่าจิตถล่มลงไปเนี่ยเนี้ยเนี้ยหัวจุกเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันถล่มเข้าไป อ่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับส่งกันบ้างแช่นี้แต่หลวพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุง้งซานนะใจสงบรู้ว่าสงบไม่จาเป็นว่าจะต้องสงบตลอดรอกแล้วกันภาวนาเนี่ยไม่ว่าใครน ะ, จะเจริญเราก็เสื่อมเราก็จะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นี่แหละคือตัวปัญญาหลวงพ่อรับเียหนึ่งถ้าเกิดแต่ว่าห้ามผิดศีลเท่านนะั้นแะ ถ้าเกิดเรามองเห็นอย่างไม่ช้าที่เห็นเนี่ยความสงบกับความไม่สงบเรามีความรู้สึกว่าจิตมันสั่งบอกว่าทั้งความสงบและความไม่สงบมันคือตัวเดียวกันอันนี้ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้ฟุ้งซ่านใช่ไหมครั บ, ม, รบมันเริ่มเทธธรรมะแล้วจะเป็นบ่อยครับโอนั่นแหละผมชอบเทธธรรมะดิ้นั่นแหละตัวนั้นจะเป็นวิปัสสนูนะ ใจมันจะมันในการพูดธรรมะออันบางทีก็เป็นสกิตมีเมียอยู่นะเมียหลับอยู่แล้วตีสามแล้วธรรมะปิ้งขึ้นมารีบปลุกมาฟังธรรมะนะแต่บางทีตัวนี้มันก็ทําให้จิตสงบนะครับหลวงพ่อเหมือนกัเหมือนกับแต่มันทําให้เสพติดอ๋อมันเป็นเสียบติดเลยครับมันมันฟุ้งในธรรมแล้วมันจบมันจบที่สงบแต่มันได้แค่นั้นแล้วต่อไปมันจะเคยชินเคยชินแล้วมันจะฟุ้งบ่อยๆแล้วฟุ้งแล้วต่อไปมันก็เริ่มระบาด หมายถึงว่าเริ่มไปยุ่งกับคนอื่นนะออจะใช่ <Okay. laughs> ยั้จะอยากสอนอนะ่ะเริมเท็ยบเกง <laughs> เออนั่นแหละนั่นแหละถูกมันหลอกแล้วให้ ร, รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านในธรรมะครับฟุ้งซ่านในธรรมะเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งทําวิปัสนาอย่างไงก็ต้องเจอวิปัสสนูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ารู้ทันนาใจตั้งมั่นขึ้นมาก็หายโอแต่ถ้าเราเพลินพิจารณธรรมะแล้วเพลินนะจะยิ่งติดยิ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้น <laughs> ปเป็นจรครับระวัง